ไกลๆดูดิดูนักปฏิบัติธรรมเราเหมือนจะไม่เป็นมวยเอาซะเลยนะอันนี้คือการต่อสู้กับกิเลสอันเนี้ยมันเราต้องเป็นผู้ชน ะ, ะมันนักมวยแล้วเต้นฟุตเวิร์คตบซ้ายลกขวาหน้าหลัง นั่งตามสบายนะเจ็บแข้งเจ็บขาก็นั่งคัศมารถก็ได้ตามสะดวกแต่อย่าให้มันหลับนะสติรู้ได้เมื่อภัยมีตื่นมาแล้วเราสังเกตวัดเราภัยมันเข้ามาถึงตัวถึงใจแล้วใจบอดแล้ ว, ใ จ, ลวใจมืด ความห่วงความเหงาซึ่งเป็นอาหารของอวิชาเนี่ยเริ่มทำงานละรุมเราเข้ามาถึงใจแล้วที่นี้ถ้าเป็นนักมวยหรือเป็นอันทหารของพุทธเจ้าก็ต้องต่อสู้กันคือทำใจให้มันโลง่งใจมันสว่างใจไม่มีอะไรเข้ามาอย่าไปทอดสะพานในีมันลืมตาขึ้น แล้วมองไกลๆอันนี้มารักษาตาอันเนี้ยเราก็รู้นะเคยขุดหลายๆคนอ่านหนังสือว่านะคีเลสมันเกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตอนเช้ามันเกิดทางตาแล้วเนี่ยเกิดทางตาก็คือเกิดความพอใจเนี่ย อีกหน่อยก็ไม่พอใจที่นี่อากาศไม่ค่อยดีนะถ้าขยับไปทางวัดนนตายพอดีนะพวกเธอเนี่ยน้ำตกมันนั่นละมันเย็นมันไม่อยากลุกเลยแหละหเสียงมันกบลอวิเวกวิวจะหลับตลอดเวลาอันนี้มันเขาเอ้ยเห่เนี่ย ลืมตากว้างๆหรือใครเป็นโรกเบาหวานลืมตาไม่ได้เบาหวานขึ้นตานะลืมตาออกทำตาโตๆกว้าง ๆ, ๆนะดูเหมือนพระเนี่ยดูพระเนี่ยเทะละองนเนี่ยนะสายเจ้วก็มนะีก็มีนะบอดก็มีนะนะค่อยๆฝึกมันโตได้เหรอ จิตเนี่ยเป็นโอป ป, ปาติกะสัตสามารถเกิดผุดขึ้นได้ในวันนี้วันพรุ่งนี้ได้ถ้าเราตั้งใจเข้มแข็งมันมเหมือนลูกไก่ที่ต้องค่อยๆเลี้ยงไปเดียวน้อยละน้อยไม่ใช่คือมันสามารถโตได้ในวันนี้วันพรุ่งนี้มันจำใสได้งั้นพยายามกระตุ้นให้มันตื่นตัว สู้ไม่ไหวก็หาเหตุหาผลช่วยมันอีกสวนหน่อยในดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วเนี่ยเพราะดูอาทิตย์ขึ้นทำไมมันไม่ง่วงทั้งที่เราก็ไม่ได้นอนนะเนี่ยเราตั้งใจไว้เนี่ยใส่ไปเดี๋ยวมันก็นหายความง่วงตอนท้างอากาศ ม, มืดๆอย่างเงี้ยทำไมมันง่วงมันเป็นความเคยชินหรือเปล่า พราอสายๆนี่มันโลง่งตามันก็สว่างฮนะมันไม่ง่วงไม่อะไรเดินเราพยายามประคองจิตเราไปสู่จุดนั้นมันเหมือนกับดินแดนดินแดนหนึ่งฮนะเดิเราไปเ ด, เดินไปถึงแล้วมันก็หายแต่ถ้าเราทะลุเมฆหมอกอันนี้ออกไปไม่ได้เหมือนกันรมวมเราเราอยู่อย่างเงี้ยนั้นฝึกเอ่านะคนใหม่ตั้งใจคนเก่าก็เหมือนกันแหละ นี่ถือว่าเป็นนักรบนะมันประกาศอิสระภาพเราตกเป็นทาสของความคิดของอวิชชาบางคนไม่คิดอะไรมีแต่ง่วงนะเขาจึงใช้คำว่าอาวิชชาอาวิชชาในบวกตัวง่วงโดยตัวคิดด้วยคือมันยังไม่เกิดปัญญาญาณ ที่สวดไปนะพระภนะระยาณนะโลจโนพระองค์ในมีญาณมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดมีตาคือญาณตาเนี่ยเป็นญาณญาณคือความอย่างรู้หรือการเข้าไปรู้ถ้ารู้ข้างในลึกๆเนี่ย รู้ ก, ก่อนที่มันจะคิดก่อนที่มันจะง่วงะขาเรียกว่าเป็นญาณนะภาษาพระนะแต่ถ้าเห็นตื้ตนๆนวนแวบขึ้นมาเขาเรียกว่ามาจากสุเกิดมีทรมาจากสุนั้นต่าคนไหนยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ทำให้มันเกิดแล้ะทีนี้ทำญาณตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดุดถึงที่สุดทำให้มันถึงที่สุดเนี่ยตัวเนี่ยให้มันตื่นให้มันเบิกบาน ถามว่ารู้ไม่ว่าง่วงก็พอรู้นะรู้ว่ามันง่วงแต่มันไม่ตื่นเขาว่าตื่นเนี่ยมันตื่นด้วยสติกับตื่นแบบเรากระตุต้นให้มันตื่นตัวคนละแบบกันนะงั้นพยายามระลึกรู้เอาทำไมมันตื่นตัวคนไหนมาถึงที่แล้วก็คิดอยากจะกลับวันนี้อยากจะลากลับก็บกได้นะ ว่ามันดูอาการแล้วไม่น่าจะไหวลากับกนะับแต่เราคิดว่าวันนี้วันแรกยังพอทบทวนได้วันที่สองที่สามสี่้าหกเจ็ดตายคาวัดนะตรงนี้จะง่วงจัดหนักเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยความคิดก็มากเกินเดือขึ้นแต่คิดว่าเอมาเนี่ย เอาวิญญาณของนักสู้มาด้วยจะมาสมัครสอบเป็นทหารของพระพุทธเจ้าสู้กับกีเลศเขาตีไม่จำกัดเวลาเนะขาสอนพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้าตีสามเอาแล้วต่อสู้กับกีเลศไปถึงโน่นแหละ สามทุ่มสี่ทุ่มแน้ะนะเราก็สู้ไปสู้ไปสู้ไปฝืนนะคนไหนไม่ง่วงลูตาก็อนุมูธนาด้วยคนไหนที่ง่วงก็ดีใจด้วยนะคือทุกอย่างเนี่ยดีหมดเนะ่ยเขาต่ให้เป็นนักต่อสู้ ถ้าต่อสู้ต่อสู้กับคนทำให้ไม่หายง่วงได้แล้วก็ถือว่าดีแต่ถ้ากาลังต่อสู้กับตัวง่วงจัดๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสติมันไม่เยอะมันไม่รู้ว่า ม, ม, มันง่วงมากต้องมีสติระลึกรู้แต่ว่าอย่าไปเพียงพลําให้มันอย่าเพียงพลําให้คู่ต่อสู้นะ อยู่ที่มือเหนือนี่เวลานอนเนี่ยมันจะโนอนหลับสนิทมากหลับดีมากหลับจนน่ากลัวน่ากลัวว่าทุกคนไหนอ่อนแอตายจะมัรผลพเพราะบรรยากาศมันดีมากอากาศก็ดีนะอารมณ์ก็ดีทำให้จิตสดใสใจเบิกบานนะ จะทําให้มันรู้สึกตัวเยอะๆรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องกันการเจริญความรู้สึกตัวคือก็คือเจริญความเห็นนั่นแหละนะเจริญความรู้สึกตัวความเห็นยิ่งแต่ละคนถ้าสามารถเจริญความรู้อย่างเดียวได้ไม่ตัวไม่ต้องออกไปค้นคว้าหาอะไรนะในใจเราเนี่ยรู้ระวงังรู้ระวงังรู้ระวงังไปเรื่อย ๆ, ๆนะ แสดงว่าเขาเร็วมากคือรู้แล้ววางได้คือไม่ต้องไปดูตณัณหาดูวาทานดูอะไรเลยรู้เฉยๆนะถ้ารู้เฉยๆเนี่ยคือรู้ก่อนที่มันจะคิดโดยซ้ำไปรู้ที่ก่อนที่มันจะปรุงแต่งรู้ที่จะเกิดอวิชชารู้เฉยๆเนี่ยเยวหน่อยมันก็เป็นปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นภพเป็นชาต แต่ถ้า ร, ารู้แล้วก็ว่างรู้เราก็วางรู้วก็วางก็คือยังไม่เกิดอะไรอ่ะเพราะว่าไปดูต้นต่อที่เกิดของจิตยังไม่ง่วงโดยซ้าไปเห็นมันก่อนเนี่ทีีถ้าไปเห็นแล้วมันอยู่ในภาวะที่ว่างไม่มีเกิดไม่มีดับ อ, อยู่ข้างในนะแต่ถ้าอยู่ง่วงมาเดี๋ยวก็เกิดง่วงเดี๋ยวก็เกิดคิดในนี้ มันทั้งห่วงทั้งคิดทั้งปรุงแต่งเดี๋ยวคิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดมาเด้วก็ดับไปมันที่เกิดมานานดับบีบะตรมานเรา <c oughs> เราไปดูโยมาบานเขาใช้อะไรใจเหล็กแดงคีมนีบขมักทับเล็บเรานีา่บีบไปบีบมาแทบตายทั้งทีคือมันไม่หลุดนะสั่นหัวออกเหมือนปลวกนเองไม่ออกนะ แล้วคนสัตว์นรกบางตัวที่นั่งอยู่ในนี้มันจะเวียนว่ายในสังสารวัตรนานกว่าจะได้ไปผุดไปเกิดของเขาเนี่ยมันจะนานนี่แหละเขาเรียกว่าลอยคอในสังสารวัตเนี่ยเราวพยายามฝืนสะบัดคอสะบัดเอวด้วยสะบัดไปหลายๆอย่างตื่นตัวตื่นตาขึ้นมา คนห่วงจัดจดในส่วนว่าคือคนโทสะเยอะนะพราใหนโทสะมากๆในี่สังเกตูจะหลับบ่อยหลับมากแต่ตื่นลุกมาก็ลุยลูกเดียวพอลุยเสร็จก็หลับจะเป็นอย่างนั้นนะนั่นะให้มันลอยคอในนรกนานโทสะบวกด้วยโมหะ บวกด้วยโลภะด้วยนะโลภะโทสะโมหะชีวิตคนประมาณนึงแต่มีโมหะตัวหลงเป็นแกนบางคนบวกกับตัวโทสะงุศยินอืดเ อ, อัดออออแต่บางคนบวกด้วยตัวโลภะอยากง่วงอยากงเอยอยากเมาอยากอะไรมีความโลภโลภไม่รู้ไม่รู้บวกตัวโลภะ โลภะจิตนะอภิชาโทมนัสสองตัวอยากได้กับไม่อยากได้มือดัดยกมือแรงๆก็ได้นะยกมือแรงๆยกมือสูงๆให้มันตื่นเต่าตาี่ถางออกกองกว้าง ใจนี้มันมีความฮึ่งเหิมด้วยข้างในฮึ่งเหิมที่ต่อสู้กับมานแต่ละตัวที่ไหลเข้ามานะเบื่อเข้ามาแล้วเนี่ยฟุ้งซ่านมาแล้ะง่วงมาแล้ะขี้เกียจมาละเนี่ยสลายมันหิวมาละวันนี้ยไล่มันออกไปเหลือแต่ใจลุนล้วนอยู่ข้างในนะ ใครง่วงจัดๆถ้าถ้าง่วงจัด อ, อกไปล้างเท้าก็ได้นะออกไปล้างเท้าแต่อย่าล้างหน้านะ อ, อกไปล้างเท้าล้างไปล้างมาและแล้วจบแปลกใจว่า ม, มันมันมันไม่ง่วงล้างเท้าเนี่ยต้องขยันทำํำละนะโครคภัยไข้เจ็บก็เยอะไหลามาเทมา ไปสู่ความเสื่อมตลอดเวลาตาก็เสื่อมหูจมูกลิ้นกายเจ็ดใจก็มีความบิดตกกังวลความยึดมัน่นถือมันความกลัวกลัวตายกลัวป่วยกลัวไข้กลัวโน่นกลัวนี้ไลหลมาเมื่อไหร่เราจะพ้นจากความกลัวจิตเนี่ยมาจุดไทออยังสุทุตรัง ปฏิบัติเพื่อข้ามพ้นความกลัวเมื่อไหร่ข้ามกลัวความกลัวได้ก็ถือว่าใช้ได้ชีวิตเนี่ยกลัวเวทนาพอใจไม่พอใจกลัวการเกิดการตายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องมีปัญญานะมีปัญญาอย่างรู้เห็นภัยในการเวียนไปเวียนมาของอารมณ์เราเนี่ย เรียกว่าการไหวเวียนไหวของสังสารวัตรนะจิตเ่าเนี่ยมันเมื่อวานเห็นแมงกิ้งขี้ตัวหนึ่งนะมันจะเป็นคอนกลมๆตัวข้างในมันเป็นเป็นตัวบุ้งตัวหนอนเป็นกุด จ, จีเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้างใน แต่มันจะเอาอข้างนอกใส่ตีนสองตีนจับปุ๊บแล้วจะหมุนไปรอบๆหมุนไปหมุนมาไปเกือกิงกับยาบ้างกับอะไรบ้างหมุนทีละน้อยละน้อยละน้อยมันก็ติดเยอะนะปูกพันขึ้นเป็นลูกโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเป็น น, นังดูหมเอา้าวขยันจังนะห่อขึ้นเร่ๆหุ่มตัวเองขึ้นเร่อๆ ยิ่งหอมากก็หุมบ้างนะเอาคอนทุบลงดูดิดีน๋นี่ทุบ๊ o มันแตกออกไปเลยอะ่ะพอแตกเอาตัวมันอยู่ข้างในตัวมันไม่ ข, า, ขาวขาวมันกำลังจะขยับดูเหมือนพวกเราเป็นเหมือนแมงอัไนแหละแมงกิ้งขี้นะ ภาษาบาลีเขาเรียกว่าตัวสัง ก, รกะระเห็นไหพวกเกือนกึ่งอยู่กับความง่วงความเหงาความอะไรเนี่ยนะภาษาเรียกว่ากูตีขีนะ้สังกลกะตัวสังภิกษุทั้งหลายถ้าดูตัวสังกลกะเนี่ยพุทธิยพุทธถึงมันพยายามที่จะห่อตัวเองแล้วโผลพันตัวเองแล้วมุดลงไปในขี้นะ ขี้วัวขี้ควายขี้คนกันแล้วแต่คือมันจมลงไปอย่างมันไม่รู้เลยไม่รู้เนะื้อรู้ตัวคิดว่าจะเป็นอาหารนะนี่ก็เหมือนกันเวทนาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคนทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะจิตเกิดมิจฉาทิฐิมองว่าตัวนิวรธรรมตัวกามตัวงว่วงเงา เศร้าซึมตัวเบื่อหน่ายตัวขี้เกียจตัวปฏิฆะ ง, งุนหงิดพอใจไม่พอใจเลยตัวฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปสักหน่อยมันก็จะืงงุนหงิดนะเนี่ยมันลำแานจิตใจมั้นนะแล้วก็ตัวสงสัยตื่นแล้วมันก็จะสงสัยนั่นสงสัยนี้ไม่ทำทำไมวะเนี่ย แต่ความสงสัยนี่เขาไม่ได้ว่าสงสัยในอรอยิยมรรคนะสงสัยแบบพื้นๆอันนี้สงสัยในวิธีการสงสัยในเรื่องของสติเฮสติมันจะมีจริงเหรอมันจะดับทุกข์ได้จริงเหรออันนี้เข้าข่ายนิดนึงแต่พอทะลุตัวนิวรนไปปึ้งเนึ่ยนะเกิดโอภาษเกิดญาณอย่างรู้รขึ้นมาปุ๊บไอตัวสงสัยตัวนี้หายไป แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็หายไปเปล่าหนึ่งไอ้ความสงสัยอันเนี่ยมั่นใจอ่ะมั่นใจในวิธีการมั่นใจในสติสัมปชัญญะที่มีมสติมีแบบนี้เนาะมันดับทุกแบบนี้แต่ถ้าฝึกสติไปสักหน่อยมันหลงก็ไปในความคิดเยอะอันนี้มันจะปลุงแต่งนะ หลงเขอยู่ในความปรุงแต่งคิด น, ค ด, นออ ด, นดนั่นคิดนี่อดีตนะครลุดไปหมดเลยสติเนี่ยเพรามันเข้าไปในความคิดไงมันก็กลายเป็นความผูกพันเอานีว่วัวเราทำแต่ละตัวม้วนม้วนม้วน ม, ว น, ม, ว น, มวนมาห่อตัวเองห่อตัวเองเป็นเหมือนตัวสังกะกะนะเาออกไม่ได้นั่นนี่สลัดมันออกอันนี้ มันสลัดมาออกมันไล่มันออกไม่มันมีเอาเอาสติใส่ด้วยเวลาเราสร้างจังหวะเนี่ยระ ล, ลึกรู้ด้วยดูกายกับใจไปพร้อมกันกายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะฮะจริงๆเราก็จะดูใจนั่นแหละใจที่มัน คิดเป็นดนเป็นนีเราก็ไม่มีคิดไปซะให้มันรู้อยู่กับมืออยู่กับกายนี่คือเอาใจมาเป็นที่ตั้งของการดูเองเอาอะไรถูกเอาสติดูไม่หมายใจมันก็ฟึดฟัดฟึดฟัดฟึดฟัดนี่ยเงินปลาที่ถูกจับขึ้นจากน้ําแล้วโยนขึ้นบนบกเนี่ยมันจะดิ้นเล่าเล่าเล่าเล่ามันอยากลงไปในที่เดิมอยากตื่นเจ้านี่มันอยากง่วงอยากนอนตอนเช้านี่ มันยังดิ้นลงไปที่เดิมเลยน้องน้ําเดิมมันยังลงไปแต่เราพาจะพามันไปจุติเดี๋ยวเนี้จะพามันไปเกิดใหม่ไปอยู่ในภพภูมิใหม่จะพาไปขึ้นสวรรค์ไปนิพพานจะไปอยู่ในความอยู่ในความรู้สึกพอใจความพอใจนเขาเรียกว่ากามความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงคอใจในความเพลิดเพลินความง่วงความเงานี่ยเขาเรียกว่ากามกามกามกามฉันทะ ออกจากกามเสียพยายามผันตัวเองออกจากกามยายมันลงเลยเข้าไปในความใคร่ความอยากอยากม่วงอยากเงาอยากคิดอยากกินอยากดื่มอยากอะไรเนี่ยพันตัวเองออกมาออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ว่างๆลงโลกเหมือนการลบเนี่ยไป่ลบในที่มืดกัแพ้มันหมดแล้วเนาะออกมาอยู่ข้างนอกนะ อาตมาี่ขนาดอายุ29ปีเนี่ยยังอิ่มแล้วนะง่วงเนี่ยนอนเนี่ยโยมตั้งหลายนอนมากนละ40 50ปีแล้วทาไมไม่หายง่วงสักทีไม่อิ่มเหรออร่อยมากขนาด น, นั้นเลยเหรอมันไม่เคยฝึกนะฟื้นเอาอีกหน่อยเด็กก็หายว่างแล้วเวลทาทำในทรรตาตัวโตําตากว้างเอาตาขาวออกมาโชว์ดิ ยาวหนังตาไปปกปิดมนะันเอาตาขาออกมาโจเนี่ยให้มันตื่นตาวิธีการลงวัตถิใ น, นข้อดีมันจริงก็คือสามารถให้เราดูได้อย่างต่อเนื่องอดูกายก็ดูได้อย่างต่อเนื่องดูจิตก็สามารถดูได้อย่างต่อเนื่อง หรือจะดูทั้งกายดูทั้งจิตก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันนะมันไม่ติดง่วงหรือจะรู้สึกสลับกันไปกายกับใจไปเรื่อยเรื่อเรื่อยๆการรู้สึกอย่างเงี้ยเป็นมักแล้วเหมือนยืนอยู่ณนะประตูสัจธรรมเนี่ยเนี่ย เราแต่จังหวะที่สติมันเต็มมันก็พัวทีเดียวด้วยนั้นเองเหมือนเราดันฝาบ้านเรื่องเลยก็ตามเอามือดันดันไปมันล้มโครมลงไปไปเนี่ยนะมันจะทะลุออกไปแล้วมันจะสว่างอยู่ฝั่งนอกนะมันก็โล่งแต่ถ้ามันอยู่ในห้องเนี่ยก็มืดอย่างว่าอะแรหรือเราจะตั้งกติกากันใหม่เนาะ ว่ไหนงว่วงเกินห้านาทีเนี่ยจับไปอาบน้ำตอนเช้าน้ำตกเนี่ยมันน่าจะดีนะพระน่าจะได้ไปก่อนดู อ, กอาการเนาโยมก็อย่าว่าพระท่านนะพระท่านก็เอาคนมาทำนะพระก็ผลิตมาจากมนุษย์นะมนุษย์ตาดำๆก้วง ง, วง่งวงบ้างนะ มันไม่ได้หมายว่าเอาผ้าเหลืองผ้าดํานี่มาซุปกึปก๊บก็มาแล้วมันหายง่วงนะดีไม่ใช่นะชี่เป็นชาวบ้านพิเศษนะเนี่ยมันอยู่ที่พลังจิตนะเนี่ยโยมอย่าไปเชื่อผ้าเหลืองผ้าดําอย่างโยมอาจจะเจี้ากว่าก็ได้อยู่ที่ใจเนีย่ยคนนี้เข้ามาก่อนเนี่ยมันง่วงโกนผมทิ้งเลย ทำเหมือนพระดีพระเจ้ลงไม่ง่วงโกนผมมันหายง่วงไหมนะปรากฏว่าตั้งแต่โกนมาไม่ง่วงใช่ไหมหั น, นก็จะโกนให้ญาติโยมอยู่แหละคนไหนง่วงเอ า, านะเพราะมันต้องใช้หลายระบบได้หมดเนี่ยถ้าเงนินจะมาหาครูบาอาจารย์ทําไมถ้าใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยแต่ขนง่มันก็อย่างว่าแหละเสีย ไ, ได้ผมเสียได้ขนหัวก็พี่ขนหัวก็เหมือนขนักแข่งนั่นแหละเดียวกันเนี่ ไ, ได้มันทำไมถ้าจะแลกผมกับแลกความม่วงได้กันเอาละชีวิตกูเนี่ ย, ยงั้นเนี่ยมันคิดเยอะรู้สึกตัวเยอะๆนะรู้สึกก็อย่างนี้เลเนี่ยพลิกมือปุ๊บนะพลิกอย่างเงี้ยปุ๊บรู้สึกยโยกขึ้นรู้มารู้เนี่ยให้ใจนะรับรู้รู้ไปเรื่อยๆนะ ไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะไม่เป็นสติประฐานสี่เนี่ยมีแปดก็จะรู้แปดอันนี้มีสิบก็จะรู้สิบฐานด้วยแหละอันนี้มันมีกี่ฐานนะเมื่อมันรู้ตัวตัวปล้องกุลมารู้ไม่หมดแหละแต่ใหม่ใหม่ก็คือทำหลอดไฟให้ติดซะก่อนนะติดหลอดไฟให้ได้ก่อนเอาสติที่มันติดอยู่กับกายให้ได้ก่อนในเรื้องต้นแล้วแล้วมันจะง่ายจะโตวไวคอมคิดปุ๊บ ก, ก็เห็นปุ๊บทันทีอะ มันจะสามารถดูใจได้เลยง่ายๆดูกายกับดูใจกรรมฐานเนี่ยหมดโลกนะมีสองอันนั้นแหละดูกายกับดูใจโอ้ลืมเมาอันนั้นมาให้ดูเนาะมองตาไปที่เบียดมาซื้ออุปกรณ์กรรมฐานมาเนี่ยพอมาทำไม่ดูเหยตาตั้งอะไรแล้พวพเธอเนี่ยนะแต่ซื้อมาราคาแพงก็จะขายต่อถา้ถาทาแล้วชอบใจใขาย มองเข้าไปในนะในนะในในนั่นแหะมองเขาไปในไหนมองไปดูตัวง่วงมาจากไหนฮะมันมาจากไหนถ้ารู้จากมันมาจากไหนก็รู้จากสมุไทยนะี่ทุกทีนี้ก็คือกูก็ง่วงละสมุไทยนี่คืออะไรวะสมุไทยสมุไทยหามันนะแล้วพอตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นนิโรธ นิโรธคืออ๋มันก็ไม่ง่วงนะแต่ทําไมมันจิงถาวรก็อมักควรเจริญเยอะๆก็คือรู้สึกตัวมากๆมาอยู่ก็ทางว่ามันนี้โรดถาวรเหมือนๆกันทุกตัวเลยนะไม่ว่าแต่ตัวม่วงตัวคิดตัวปรุงแต่งก็สภาพเดียวกันน่ะคือมันมีจุดเกิดจุดดับเหมือนๆกันมันไม่ได้ต่างกันหรอกเหมือนกันเลย ข้างนอกนี่เย็นมากนะตามสะดวกนะถ้าใครง่วงใครเหงาก็นั่งสมาธิเอาก็ได้นั่งสมาธิอะไรเงี้ยแล้วก็หลับตาถ้าไม่อายคนคะนะฮะแสดงว่าพวกเธอคุยกันมาตลอดทางอ่ะมาถึงมันมา ง, ง่วงเนี่ยหรือมันยังไงมันไม่ได้นอนมัน้งเดี๋ยวก็ชินนะเอาสติเข้ามาแทน ขนาดพระไม่ได้เดินทางไปไหนยังง่วงเลยทำไมไวก็ได้สร้างจังหวะเนี่ยทาไม่ไวเราไปนั่งในอริยบทที่มันขัดนะขัดใจน้องขัดใจพี่หน่อยนะอย่านั่งท่าสบายนักถ้านั่งสบายมันก็ง่วงตายแหละเนาะนะต้องเปลี่ยนไปสู่อริยบทที่มัน ขัดแย้งกับตัวเองมันเจ็บเจ็บปวดปวดมันทรมานหน่อยนะเออตัวเวทนาช่วยมันนะตัวง่วงตัวหงอกจะหายไปอยากให้มันสบายกิเลสเนี่ยถ้ามันสบายแล้วแย่เลยแหละเหมือนลูกคนรวยกับลูกคนจนเนี่ยคุณธรรมมันจะต่างกันเลย <S <S <S เอาลืมตาขึ้นวันน้นเนี่ยจะพูดเรื่องนี้พ่านแล้วนะเนี่ย ในตำราเนขะบอกลิ้นดันเพดานเนี่ยฟันกัดฟันลิ้นดันเพดานนะฮะขมิบตูดคนเนี้ยตําลานะเขาบอกลงไปทําดูดิยิกตัวเองอะไรประมาณเนี้ยทำมันจะช่วยได้เยอะแต่ถ้าทําสติเยอะไม่ได้ลงทุนบาทนั้นอันนี้ลงทุนสูง อย่าให้กิเลสมันมาทำรังใใจเรานะมาทำรังที่ตาก็มีที่หูที่จมูกที่เล่นที่ใคมันทำบนหัวเขาเรียกว่ารังแค่น้องตังยังไม่รู้จะตัวแค่เป็นตัวยังไงนะมันรังแคร์ทำไมไม่เรียกว่ารังหัวรังขี้หัวรังไหนนะอย่าให้มันไปทำรังใส่ทำใจว่างๆสบายๆ แย่ได้มันมาทำรังโอ้เมื่อวานนี่โยมใครไม่เคยเห็นไข่อูชงอางบ้างนะเนี่ยอยู่ในวัดนี่ใกลในี่รถแบ็คโฮมันตักขึ้นมาไข่อูชองอางหล่นลงมาลงตาว่าอยู่เอขาบมันขนาด น, นี้มันเยอะนะสามสี่ขาบมันลอกพาดไวพาดไวพาดไว ทำรูหินเนยะที่ใช่แม็กแมกโฮตักดินตักไปต่อมาไข่มันอนะไข่มันเยอะกัดควายคนตายนะะไม่ไม่ใช่ควายวัววัวเจ้ากเ็เลียงวัวเนี้ยตายแล้วเขาไปยิงมันพอไปมันก็ยกขึ้นนี่มันไปยกขึ้นทําไม้ยกขึ้นเขาก็เม่เบี้ยมก็ใหญ่กนะโต้มเนี่ยตาย นี่มันใหม่แล้วไข่แล้วเมื่อวานมันตึงเยอะเราบอกเอาถมไว้นะเอาดินถมถ้าถมลึกๆมันน่าจะออกไม่ได้ถมเป็นรถนะถมไข่มันน่ไม่ได้ถมตัวตัวมันไม่เห็นเสร็จกรีบลงมาล่ะกลัวมันห่วงไข่จงอางห่วงไข่อันตรายไอพวกง่วงๆจะเาไปนั่งแถวนั้นน่นี่ ใกล้ๆไขมูชงอางเนี่ยลุงตางได้ยินแต่ว่าเจ้าบ้านว่ามันกัดวัวแล้วเขาก็ยิงตายเ่อก่อนก็ตั้งสี่สิบกว่าฟอ ง, องไข่มันมเยอะนะเมื่อวานยังไม่เยอะไปะนั้นหลวงพ่อเขาเขียนท่านมาเยี่ยมบ้านก่อนวันที่ที่หนึ่งนะวันที่สามสิบไปไหว้ท่านมาเทศที่ มอชอโอ้ยคนเยอะในญะาติโยมห้าพันขึ้นจะหกพันนั่นหนหะคือล้นไปมดนอ่ะตั้งทีวีวงจรปิดในคนก็เยอะลุกลามไปท่านบอกวิธีว่าวิธีไม่ให้งูกัดเนี่ยเม่่อนอนกลางคืนให้อยู่ในในกรด ถ้ากดเนี่ยถ้ามุงกดควรที่เป็นมุ้งสีขาวมุงสีขาวเวลาจุดเทียนเนี่ยมันจะกระทบกับแสงสีขาวของมูงมันจะสว่างมันมันโตขึ้นคือท่านโดนเสือมาเยี่ยมครั้งหนึ่งนะโมเสือมันมาเยี่ยมขณะอยู่ในกฎนะคือได้กลิ่นสาบเสือเลยแหละม า, มาเอขมัน ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็เลยจุดเทียนแล้วขึ้นตั้งบนหัวเนี่ยเพราะหลวงพ่อมันไม่หยดใส่หน้าผากนรอวะเทียนเนี่ยตั้งแล้วมันก็มันสว่างออกไปตามมุงนะมุ่งขาวๆหรอมันกว้างมันก็มาดูไปดูมามันก็ไม่กล้าเข้ามามันตัวใหญ่คนเรามันใหญ่แสงสว่างมันกว้างมันก็เดินผ่านไปท่านว่ แต่มมาพิจารนากูวิเศษหรือเปล่านี่ <c oughs> คือแต่ก่อนจิตมันท่านว่าสมัยสมัยโน้นมันไม่กลัวอะไรมันเข้าใจธรรมะใหม่ๆเนี่ยคืออยู่ใกล้เสือก็ไม่คิดว่าเสือจะกินนะมันไม่คิดเลยมันไม่มีเลยว่าคิดว่าเสือจะกินเนี่ยท่านบอกไปอยู่ใกล้งูก็ไม่คิดงูจะกัดเดินไปไหนกับไม่ใช่ไฟฉายเดินธรรมดาเนี่ย เขาว่ามีจูง จ, จงอางัานะวหอนก็ไม่ถือไปอนะ่ะเขาไม่กลัวอะไรมันไม่กลัวนะไปอยู่ใกล้ควายก็ไม่คิดว่าควายมันจะชนนะคือจิตมันไม่มีเลยว่าควายมันจะชนจะอะไรคือจิตเนี่ยมันจะดีมากนะนะไปอยู่ใกล้โจรก็เฮ้ยกูเป็นพระโจรคงไม่ทําอะไรนะคิดแต่อย่างนี้นะไม่คิดว่าโจรเขาคิดอะไรแต่จิตเนี่ยมันไม่คิดอะไรกับใคร ไปทีแรกก็เห็นช้างมาก็าไม่คิดว่าช้างมันจะทำอะไรก็ยเฉยๆเออเหมือนกูไม่คิดอะไรก็มันคงไม่เป็นไรก็กูัวว่ไม่ได้คิดอะไรเนะเสื้อมากเก่มันนานไปมันจะกินน่นนี่ก็เลยต้องจุดเทียนขึ้นมาตั้งไว้บนหัวหน่อยเสื้อมันก็ขยับไปท่านชวนหลวงตาไปเทศที่ประเทศจีนไปเยี่ยมท่านในมอนะท่านถามว่า อาจารย์หลวงพ่อได้รับนิมนต์สมเดือนต่อครั้งหนึ่งไปที่ประเทศจีนนะไปสี่ห้าเมืองนี่แหละท่านว่าสนใจไหมสนใจจะไปสอนที่ประเทศจีนไหมคนตื่นตัวกันเยอะมากท่านว่าดีกว่าไปอเมริกานะดีไปกว่าดีกว่าไปอังกฤษ ที่จีนเนี่ยคนสนใจดีมากคือเทศแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็ประมาณคนทนตั้งใจปฏิบัติทําเนี่ยประมาณร้อยนะอย่างต่ำเก้าสิบกว่ากว่าท่านว่าคนเยอะมากไต้หวันก็ดีแต่ว่าที่จีนเนี่ยจะจะดีเะท่านาเดี๋ยวนี้ท่านก็ชวนไปนี่แหละไอาจารย์ทองก็คือหลวงพ่อทองที่วัดสนามใน ก็เรียกตวงตาไปชวนคุยคุยก็คืออยากให้ไปสอนที่ประเทศจีนเมื่อเชอหลวงพ่อขี่หลวงพ่อก็ชวนไปน้ำตาาคนมีคนจีนมาปฏิบัติอยู่ด้วยอยู่วัดก็มีฉะั้นว่าคนตื่นตัวก็เลยคุยกันเรื่องว้ยลาง ท่านวท่านไปนู่นท่านก็ไปไปที่โซกายไปดูศพของปรมาจารย์เว้ยลางไปพูดคุยกับนักปราชญ์จีนที่ น, นู่นเขาบอกว่าในโลกนี้มีพระเหลาหันสององค์อันนี้พูดตามผมว่าเอาเขียนนะทีคุยกันไายฌาย์พระนะท่านพูด สังว่าข้าโฉว่าในหลวงนี่มีพระหันสององค์เนีพะนะองค์หนึ่งอยู่ที่เมืองจีนท่านเวลางเขายอมรับอีกคนเดียวคือหลวงพ่อเทียนที่ประเทศไทยนี่คุยกับร้ายคนไปอยู่ที่นั่นนะว่าคุยกับนักปราศจีนกับอะไรที่เวลาท่านไปอบรมไปในนั้นเขาคุยเขายอมรับสองคนตนเองท่านเวลางกับหลวงพ่อเทียนพวกนี้สามารถดันตัวเองตั้งแต่เป็นโยมบรรลุธรรมอะ วิธีชีวิตคล้ายๆกันประกาศตัวนี้ว่าพ้นทุกแล้ววิธีชีวิตก็เป็นหนึ่งอนตัวทั้งตายพายมแล้วมีสองคนเท่านั้นเองที่จะนำพาสู่แสงสว่างได้ท่านเขาก็เลือกวิธีการนี่น เ, นเอาลืมตากว้างๆนะมองไกลๆหนังบูนเนี่ยท่านเลยบอกไปช่วยกันหน่อยไหมที่ประเทศจีนสามเดือนไปครั้งหนึ่งผมไปนะ ลุงต wow. าเ็เลยเฉยๆไปเห็นคนในมอนะเขาตื่นตัวกันเยอะอยากฟังธรรมะเนี่ยแต i, ่ก็คงเป็นพระดารามาด้วยแหละอาจารย์พระครูสุรศักวัดมเหยงพึคือเขาเทศองค์ละชั่วโมงกว่ากว่านี่แหะแล้วก็อาจารย์สนองวรุไร แล้วก็ท่านวอวลวชิระเมธีก็มีอยู่ทั้งหมดเลยคนก็เลยเยอะเนาะเขาติดป้ายทั่วทั้งเมืองแล้วก็เครือข่ า, ขายวิทยุชุมชนด้วยเขาจัดนะการโฆษณาเขาคือเลยดีมันกระทั่วไปหมดเลยคนก็ฟังดิเขาบอฟังทุบาทิตย์ก็ไปฟังกับเขา เป็นยไงก็ไปถึงโอ้ยก็ขึ้นลงตาเทศนี่แหละไม่ใช่嘛หือการนั้นเป่าเรื่องสติขึ้นกันนี่แหบะมาจะไปฟังเทีดไก่ปะอา้าวเขว่าไปเนาะคือฟังเอาสาระเอาประโยชน์คนเขาตื่นตัวดีต่อไปงวดหน้านี้หลวงพ่อหลวงปู่เนรมาเทศได้ยิ่งจะระเบิดกว่านี้ระเบิดเถิดถึงละยิ่งจะหนักกว่านี้ ลงปูเนนนะรู้จักเนาะวัดไหนนะวัดที่สร้างพระแก้วมรกตใหญ่ที่สุดในโลกนี่นะปูเนนคนที่มีเครื่องบินส่วนตัวไปเทศเนี่ยไปเทศที่ไหนต้นเครื่องบินส่วนตัวไปนี่คนเขาคือของกองทัพอากาศหรือของใครไม่รู้ถวา ย, ยถวายเป็นพาหนะในการไปรเทศที่นั่นที่นี่ ถ้ามาเที่ที่เมืองกาเนี่ยโอยมันไม่ได้มีเราเขีนรถช่วยกันดันเข้ามานี่ไม่มีบืนปืนปืนปื น, นมาแล้วก็จอดเจื้อลมากะนะโมตัสสะพระกวัตตุเซนอะไเนี่ยเป็นพระรุ่นเดียวกันกันกบพระท่านอาจารย์คมกิจนะรู้อย่างเนาะคมกิจคมกิจพระแพทเสียงเทียนนะอะไรเขาอยู่บ้านเดียวกันเป็นเพื่อนกั น, นสมัยยังเล็กๆทีกที้ก็โตมา เพราะว่าอคนเขาตื่นตัวสนใจปรากฏการณ์อย่างนี้จะได้รับการต้อนรับดีคระบหลวงปู่เนท่านเป็นเป็นพระเวลาท่านเทศท่านจะเทศเรื่องชาติที่แล้วท่านจำชาติได้ฌานตะบะอันนี้ให้ล่วงรู้สมัยโน้นไปทุดงเป็นอย่างนันนี้มีเทวดามาใส่บาตรท่า น, นองค์เท่านี้องค์ ตรงนั้นตรงนี้เกิดไปเจอเมืองนั้นเทวดาผีบังบทพาไปนู่นไปนี่ท่านพูดคนสนใจเยอะนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วที่จะมาเกิดเนี่ยเกิดมากี่ชาติชาติท่านเคจะไล่ให้ดูชาตินั้นเป็นอั้นชาตินี้ไหมนี่คนจะอยากดูมากจะอยากฟังนะเรื่องของคนอื่นเนี่ยคนชอบเรื่องของตัวเองกูไม่เอา <c oughs> บอกให้มองมายังไงมันก็ไม่มองอนะ่ะมองบ้างดิตัวเองง่วงเนี่ยนะมันไม่ค่อยดูอะ่ะส่วนมันจะดูชาตดนั้นชาตินี้นะนะชาติชั่วชาตอะไรมันไม่ค่อยดูคนจะชอบแหละนะพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็ไปปฏิบัติทำกับท่านก็ได้นะ แล้วท่านทํานายให้ว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรมาถึงง่วงขนาดนี้เฮ้ตายชาติผมที่แล้วชาตินี้มันจะได้บรรลุธรรมไหมมองทั้งในให้หน่อยดิมีนะถ้ามันไม่ได้ก็บอกว่าเฮ้ยยอมรับชะตากรรมลราขออําลากลับแล้วพอดูทั้งในแล้วก็ไม่ได้บรรลุธรรมกลับแต่โลงตานี่ไม่ทำนายว่าเธอจะบรรลุไม่บรรลุนะเพียงแต่ว่าจากช่วยกันดันละอนะเราก็ตื่นตัวนะตื่นตัว เพราะว่าไม่คิดว่าเราจะโชว์มาแต่ชาติกําเนิดที่แล้วนะโจ๊กเมาเราไม่ทันจิตเราเองนี่เองไปเห็นเขาตื่นตัวเห็นเขาศรัทธาแล้วทำให้คนคนจัดงานจะคงจะมีกําลังใจที่จะทำนะในการเอาธรรมะเข้าสู่ใจคนเนี่ย คนคงจะสนใจมากขึ้นอไอ้ประมาณนั้นคือดูๆแล้วก็คือสนใจกามา่มามาอะไรทั้งอีสานมาไปลยมาหาหนาครหนึ่งก็ราชมงคลราชมงคลกรุงเทพคนก็สนใจเยอะนะเวลาฟังเต็มกันปกติก็จะเต็นเต็มห้องประชุมประมาณสักห้0พัน 5, คนน ะ, นะะแต่นี้มั น, ม, นมันไม่อยู่อะ่ะมันเยอะ แล้วเวทีพระเขาก็ทำดีด้วยพระไปฟังในเขาขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีนั่งเก้าอี้ล้อมก็ผลล็อกตัวเลยจะไม่จบนี่ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้เขาทำเหมือนขังไว้ในตัวห้ามเสียมารยาทห้ามลุกไปก่อนเวลาเขาจัดฉากดีเนี่ยเวลาพระเทศเข้าไปบนเวทีเขาก็เข้าไปนั่งเทศในในสวนดอกไม้อ่ะ เวทีเขาทำเป็นเหมือนสวนดอกไม้แล้วก็อีเขาไปตั้งข้างในกันนั่งเทศข้างในคนไหนดูถ่ายทอดทางหน้าคอมคงจะเห็นนะนลุงตาไปนิมนต์หลวงพ่อคำขีหนไปเยี่ยมท่านท่านเทศเสร็จแล้วก็เลยคุยกับท่านนิมนต์ท่านมาวัดเลยมาเยี่ยมที่วัดเนี่ยพาท่านเดินไปเดินมาท่านก็ดูอาการท่านจะเหนื่อย วิราค่ะท่านกนมาเทศกันนึงมีพระติดตามมาด้วยพระวัดอุโมงค์วัดนริ น, นีประมาณสักรวมกันก็สิบห้าองค์นี่แหละเยอะอยูอยอยน่นะท่านสอนเรื่องกันท่านมาที่นี่ท่านพูดไปพูดมาท่านพ า, พาสวดธรรมมาธรมคารวตา พูดถึงการเคารพธรรมท่านพูดถึงการเคารพธรรมเคารพธรรมในทัศนะของท่านคือยังไงเน่ยท่านพูดคํานั้นให้ฟังจะการฝากศาสนาะฝากโน่นฝากนี้นะเสียดายอย่างเดียวหูท่านไม่ค่อยดีนั้นแหละเวลาพูดแต่ไม่ ด, ไมได้พูดดังเวลาพูดแต่ท่านคือท่านได้ใส่ ตุ้มหูทิพข้างในนะะหลวงพ่อมาเยี่ยมผมบ้างนะเนี่ยนะมันได้พูดดังไปท่านก็ไม่ค่อยได้ยินแต่เวลาท่านพูดกับเราท่านพูดเบาๆคือหูทิพเนี่ยมันจะเป็นว่าถ้าพูดแรงมากมันจะไม่ได้ยินมันจะเลยไปมันกระแทกเสียงแล้วมันจะตึงแต่ถ้าพูดค่อยๆเนี่ยมัน มันมีจังหวะของมันแล้วสังเกตเวลาเขาพูดกับเร า, าเขาจะพูดพอดีแต่เวลาพูดแรงกว่าเขาขเขาก็ยังไม่เข้าใจไม่ได้ยินแต่ถ้าพูดค่อยก็ไม่ได้ยินอีกละ่ะท่านไม่เห็นเราปลูกไผ่ในวัดนะั่นท่านวในประเทศไทยในี่ใครจะแข่งกับผมได้ว่าสวนไผ่วัดปลานทุกตัวนี่ท่านว่าผมผมเป็นพันพั น, พนกอนะ ใ, นใกล้ชุมชนแถวใกล้ๆนั่นคนแก่ๆคนอะไรเนี่ยตัด เอาไปสารนั่นสารนี่ขายถ้าทําไม่เป็นมาผมสอนให้ทนบอกแต่ถ้าคนทาา้าใกล้ใกลมาเอาไม่ไม่ให้ถ้าคนใกล้ใให้ให้ตัดตัดไปสารทั้ง น, นูนทั้งนี้ไนดะป่าไม้ท่านใหญ่แล้วท่านก็มาว่าผมว่าจะทําโครงการประกวดต้นไม้ปลูกนะนะวัดในประเทศไทยเนี่ยคนไหนปลูกต้นไม้ ต้นไม้ที่ปลูกเอาเองนะตามวัดนะ่ะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีไหมเอามาแข่งกันดีท่านวะที่ผมจัดโครงการนี้ก็คือผมมีอยู่ต้นหนึ่งผมคิดว่ารางวัล น, น่าจะตกเป็นของวัดผมท ะ, ะของท่านมันท่านปลูกเองนะ่ะสี่คนโอบนลยนะแล้วจะเอามาจากไหนสู้ท่านได้มันเหมือนต้นไซตต้นอะไรเนี่ยแต่มันใหญ่ คือที่วัดเนี่ยหลวงตางมีโครงการไถดินเสร็จแล้วมีโครงการปลูกต้นไม้แต่ปลูกต้นกล้วยนะที่วัดเนี่ยก็คิดๆอยู่ว่ามันมันต้องแบกต้นกล้วยขึ้นไปมันสูงก็เลยคิดว่าเราน่าจะเลือกเอาคนที่ง่วงแต่ละวันเนี่ยเราจะจดเอาจดเอาไปแบกต้นกล้วยขึ้นนี่นะที่ขึ้นบริเวณที่จะปลูกนี่ทุกวนันทุกวนันคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ หผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างอา้าวประกาศรางวัลที่หนึ่งแต่ละวันนะบุคคลต่อไปนี้ถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตไปแบกต้นกล้วยขึ้นไม่ต้องปลูกหลอกแบกขึ้นไปให้เฉยๆประมาณสักสองสามรอยเมตรที่ะขึ้นเขาถ้าวันไหนถ้าได้พาเป็นผู้นำก็ไม่อายเท่าไหร่อา้าวคูบา้า <c oughs> เป็นผู้แบกนำหน้าเพ <c oughs> ระาะว่าง่วงรางวัลที่หนึ่งร <c oughs> วันที่สองที่สาม ตามกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยน่าจะหายไอ้นี่คนไหนง่วง จ, จัดๆเดี๋ยวก็ดีเนี่ยเหมือนโ ย, ยมประคองเนี่ยของมาใหม่โอ้ยง่วงจัดและแต่พอมันกล้าฝึกกล้าฝืนหน่อยอย่าพูดจยคุยค่อยลุยแหลกไปแล้วก็ทะลุไปเองหรอกพอผ่านไปแล้วสบายแล้วโยมผู้หญิงก็เหมือนกันนะมันเป็นคนทำงานน่ะ เราทำงานเยอะอยู่ๆก็มาแล้วให้จิตมันไม่ควรยได้ทำงานเพราะตอนเช้าๆเนี่ยมันจะง่วงจัดมันไม่ได้พักผ่อนนี่กขากระตุ้นนี่มันตื่นตัวให้มันได้พักผ่อน